วันนี้เป็นการประชุมวันแรกของอาการประชุมทางวิชาการนานาชาติเนื่องในวันวิสาขาบูชาโลกปี 2,560 การประชุมครั้งนี้ตามปกติก็จัดทุกครั้งที่มีการจัดงานวิสาขาบูชาโลก แต่เนื่องจากว่าการประชุมวิชาการครั้งนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษจึงทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงร่วมกับสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานาน า, นาชาติย่อๆว่า IABU จัดการประชุมทางวิชาการขึ้นวันนี้เป็นวันแรกและพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก่อนแต่การฉลองวิสาขาบูชา ซึ่งการฉลองวิสาขบูชาจะจัดขึ้นในวันที่3ของงานคือวันที่8ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติที่ถนนราชดำเนินเนื่องจากว่าเราจัดทั้งในเรื่องวิชาการและการเฉลิมฉลองเรื่องของวิชาการสมาคมมหาวิทยนาลัยพุทธนาชาติมีสมาชิกทั่วโลกเนี่ยมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่สอนพระพุทธศาสนา หรือเป็นมหาวิทยาใหญ่แต่ให้ปริญญาทางพุทธศาสนาด้วยเราก็มาเป็นสมาชิกร่วมกันแล้วมีมติให้จัดประชุมใหญ่ทางวิชาการในปีนี้ซึ่งเป็นครั้งที่สามนับแต่ที่ก่อตั้งมาในปี2551ในครั้งนี้หัวข้อใหญ่คือเรื่องสติสติตามพระคำพี และการประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเหลือชาวโลกเนี่ยเป็นหัวข้อของการสัมมนาโดยนักปราศราชมดิต ท, ทั่วโลกมาร่วมประชุมกันโดยเปิดประชุมในภาคเช้านี้ได้รับพระเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก สเสด็จมาเป็นองค์ประธานและกล่าวสัมมูทนิยกถาอำนวยพรแด่ผู้เข้าร่วมการประชุมใจความว่าการจัดฉลองวิสาขาบูชาเป็นการเฉลิมฉลองที่สำคัญอันเป็นการเตือนสติชาวโลกให้ ใช้พระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามานำทางชีวิตทรงอธิบายว่าโลกมีทั้งโลกภายนอกและโลกภายในโลกภายนอกถ้ามืดมนเราก็เดินตกหลุมตกล่องเกิดอุบัติเหตุโลกภายในมืดมนด้วยเกิเลตตันหายิ่งร้ายกว่านั้นการอุบัติของพระพุทธองค์ช่วยส่องแสงสว่างแก่ชาวโลกทาให้ ชาวโลกได้แสงสว่างโดยทรงอ้างพุทธภาษิตว่าปัญญาโลกัตสมิปัโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกการประชุมครั้งนี้ว่าด้วยเรื่องสติซึ่งทำให้เกิดปัญญาก็ทรงอานวยพรให้ผู้เข้าประชุมนั้นได้ปัญญาและแจกจ่ายปัญญานี้แก่ชาวโลกนี้โดยสรุปของอพระ โอวาทหรือรสำมูมทนียัถ า, าของเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชในระดับถัดมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลักลลยก็คืออาตมานั้นได้ขึ้นกล่าวต้อนรับในการกล่าวกล่าวต้อนรับก็ท้าวความถึงบทบาทขององค์กรที่สำคัญของโลกคือสหรประชาชาติได้รับรอง ให้วิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสากัของโลกและให้จัดวิสาขาบูชาร่วมกัน ท, ทั้งที่สำนักงานใหญ่สหรประชาชาติที่กรุงนิวยอร์กและสำนักงานสาขาทั่วโลกประเทศไทยได้เป็นผู้แทนไปจัดการประชุมใหญ่ฉลองวิสาขาบูชาที่สหรัฐอเมริกาที่กรุงนิวยอร์กในปี2447 และหลังจากนั้นเนี่ยเราเห็นว่ากกรการไปประชุมที่นิวยอร์กเป็นสำนักงานใหญ่เนี่ยไกลและคนไปได้น้อยเพราะชาวพุทธส่วนใหญ่นับถือศาสนาเนี่ยอยู่ในเอเชียในมหาจุฬาจึงเสนอต่อรัฐบาลและคณะสงฆ์ว่าเราจัดกันที่ประเทศไทยนี่แหละเพราะเรามีสำนักงานใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิกของสหประชาชาติที่สนลราชดำเนินเรียกว่า UNS- c a ชาวพุทธทั่วโลกก็เห็นด้วยจึงได้ มาประชุมที่นี่ตั้งแต่247มาจนปัจจุบันเนี่ยสิบสปีและปีที่14ยกเว้น2ปีที่ไม่ได้จัดที่ประเทศไทยคือไปจัดที่3ครั้งไม่ได้จัดที่ประเทศไทย3ปีเนี่ยคือที่เวียดนาม2ปี2ครั้งและปีนี้ไปจัดที่ศรีลังกานั่นเป็นการฉลองแต่การประชุมทางวิชาการเรายัางจัดอยู่ที่ประเทศไทยและหลังจากประชุมทางวิชาการเราก็จะไปฉลองร่วมกับชาวพุทธโลก ที่สํานักงานใหญ่สาหารประชาชาติที่กรุงถนนราชดำเนินถือว่าสํานักงานนี้เป็นสัญลักษณ์ของชาวพุทธโลกท่านก็มากันทั่วโลกและก็มาประชุมทางวิชาการและมาเพื่อเฉลิมฉลองวิสาขาบูชาโลกซึ่งในวันที่3ที่สาหารประชาชาตินั้นในถนนราชดำเนินนั้นได้รับพระกรุณาที่คุณจากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสม ส, สมสวรีพระวรราชาธิรัตน์นาฎ สเสด็จมาเป็นองค์ประธานที่สหประชาชาติอันนี้ก็เป็นเรื่องที่กล่าวต้อนรับว่าเรามาประชุมกันทางวิชาการในเรื่องสติและสตินั้นแบ่งออกเป็น3กลุ่มก็คือ1เรื่องการศึกษาในคัมภีร์พระไตรปิฎกเรื่องที่2ก็คือประเพณีปฏิบัติหรือการสอนกรรมฐานในประเทศต่างๆและเรื่องที่3ามกลุ่มที่3ซึ่งจะประชุมกันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้นี่ก็คือทั้ง3กลุ่มเนี่ย ก็คือเรื่องของการประยุกต์ใช้เรื่องสติในวิชาในแวดวงของจิตบำบัดและอื่นๆนะและได้บอกกับที่ประชุมว่าในเรื่องของพระคำภีเรื่องสติเนี่ยเรามีข่าวดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าสามารถอ่านได้จากพระไตปิดกฉบับสากล ซึ่งเราพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วในปีนี้พร้อมแจกผู้เข้าประชุมจากทั่วโลกจากต่างประเทศโดยงานสำเร็จเรียบร้อยออกเป็นรูปเล่มแล้วและก็บอกกับที่ประชุมว่าถ้าจะดูเรื่องสติก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกฉบับสากลหนึ่งบทเรียกว่า e d i ิ a t i o n หรือกรรมฐานจะว่าด้วยเรื่องสติทั้งในเทรวาสมหายานวัชรยานจากนั้นก็ได้แนะนาเรื่อง ของหนังสือในเรื่องหนังสือก็อได้บอกกับที่ประชุมว่าเราสำเร็จเรียบร้อยอย่างไรพอจบการกล่าวต้อนรับของที่การบดีก็ได้เชิญผู้รับผิดชอบนานาชาติะกรรมการนานาชาติที่รับผิดชอบในการจัดทำหนังสื อ, อพระไตรปิฎกฉบับสากลขึ้นไปบนเวทีโดยแนะนำหนังสือแบบนี้แหละ ว่าเป็นมาอย่างไรสำเร็จเรียบร้อยอย่างไรเนื้อหาเป็นอย่างไรกรรมการที่รับผิดชอบแต่ละท่านก็มาเล่าให้ฟังโดยสรุปของการแนะนำหนังสือเล่มนี้นะฮะงขอเพิ่มเติมไปด้วยว่าอันนี้คือที่เห็นอย่างนี้เนี่ยเป็นชื่อเล็ ก, ลกๆแถวแรกเรียกว่า Common Buddhist Text เราแปลภาษาไทยว่าพระไตรปิฎกฉบับสากลนะคําำว่าสากลคือรวมเอาคำสอนพระพุทธศาสนานิกายใหญ่ในโลกที่มีอยู่มีสามนิกายเท่านั้นเราเรียกว่าเทรวาวมหายาณและก็วัชร ย, ยานเทรวาวก็คือพระพุทธศาสนานในฝ่ายใต้ของเอเชีย ประเทศไทยลังกาพมา่าลาวกัมพูชาเนี่ยถือว่าเป็นเถราวาทใช้พระไตรปิฎกภาษาบาลีส่วนมหายานพระพุทธศาสนาอยู่ในจีนเกาหลีญี่ปุ่นเวียดนามเป็นต้นเนือในภาคเหนือของเอเชียเราเรียกว่าพุทธศาสนามหายานใช้พระไตรปิฎกที่แปลไปแล้วไปเป็นภาษาจีนไปเกาหลีญีปุ่น นั่นคือพระไตรปิฎกมหายานแล้วก็มีพระไตรมีวัชรยานขึ้นมาอีกซึ่งนักวิชาการตะวันตกเขาแยกออกไปเป็นวัชรยานโดยปกติเรารู้จักในนาว่ามหายานซึ่งรวมกับวัชรยานแต่เนื่องจากว่าวัชรยานเนี่ยอยู่ในทิเบตมองโกเลียเป็นหลักใช้พระไตรปิฎกภาษาทิเบตซึ่งทั้ง3นิกายเนี่ยพระไตรปิฎก สามภาษาบาลีเป็นของเราเถราวาสมหายานใช้ ส, สันสกฤตซึ่งมีเหรลือน้อยแต่ใช้ภาษาจีนเป็นหลักแล้วก็วัชรยานใช้ที่เบสเป็นหลักเนี่ยแต่ละนิกายเนี่ยพระไตรปิฎกเหมือนเราเรียกพระไตรปิฎกเหมือนกันแต่เนื้อหามีทั้งเหมือนกันและต่างกันเรามีพระไตรปิฎกบาลี มาประมาณสี่รอยห้าร้ปีหลังจากพระเจ้าปรินิพานมหา ย, ยานก็เกิดขึ้นแล้วก็มีพระสูตรมหา ย, ยานที่ท่านอ้างว่าเทวดาบ้างพญานาคบ้างอะไรบ้างเนี่ยเอามาเปิดเผยคือฝังจากพระเจ้ามาแล้วไปเก็บไว้แล้วก็มาเปิดเผยมันก็เลยไปกลายเป็นพระสูตรที่พัฒนาออกมาแยกออกไปเป็นมหา ย, ยานต่อมาพ ร, พระสูตรเหล่านี้ซึ่งเป็นสาสษสอังกฤษแปลเป็นภาษาจีนเป็นส่วนใหญ่เป็นต้นฉบับ อย่างเช่นพระถังสัมจั๋งเนี่ยเขาเอาไปแปลเป็นภาษาจีนเก็บไว้ในประเทศจีนแล้วประเทศอื่นก็แปลต่อต่อมาก็มีพระไตรปิฎกภาษาทิเบตอีกพัฒนาออกไปอีกสามนิกายใหญ่เราเรียกว่าบาลีจีนทิเบตมีพระไตรปิฎกของตนเองซึ่งบางส่วนคล้ายกันบางส่วนพระสูตรเพิ่มเข้ามาต่างกันไม่เคยได้เอาม า, ารวมไว้ในที่เดียวกัน อันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในโลกนะผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเป็นความพยายามที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนที่นำเอาพระไตรปิฎกทั้งภาษาบาลีของเถรวาทจีนภาษาจีนของมหายานและภาษาทิเบตของวัชรยานเนี่ยเอามารวมไว้ในเล่มเดียวกันเคยมีแต่ของใครของมันทีนี้พอ ความยากลําบากในการที่เอามารวมกันที่ทําไมถึงไม่มีใครทําก็คือว่าเราตั้งเงื่อนไขว่าผู้ที่จะมาทําเล่มนี้เนี่ยเป็นนักปราศทั้งหลายก็ตามจะต้องรู้สมมติว่าถ้าเป็นผู้แทนถือว่าต้องรู้ภาษาบาลีและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีแปลใหม่เลยเป็นจากบาลีเป็นภาษาอังกฤษนะไม่ไปคัดลอกใครมาและยึด ในภาษาจีนก็เช่นกันเชี่ยวชาญในภาษาจีนและภาษาอังกฤษเชี่ยวชาญในภาษาทิเบตและภาษาอังกฤษมีข้อแม้ว่าต้องเป็นภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่ายเพราะฉะนั้นจึงมีหลักของการทําเราเรียกว่าหลักแห่งบาลานซ์ Balance, หรือความสมดุลเนี่ยคือหนึ่งความสมดุลระหว่างความถูกต้องทางวิชาการห้ามแปลแบบมั่วหรือแปลแล้ว เจ้าของนิกายเจ้าของศาสต์นิกายนั้นรับไม่ได้ต้องแปลให้มันถูกต้องทางวิชาการเขาเรียกว่าแปลให้มันถูกต้องทางวิชาการเนี่ยคือรับได้ไม่ว่าใครนิกายไหนก็ไม่มีอคติไม่ได้ลากเข้ามาเถราวาทไม่ใช่แปลที่เบศแบบของเราหรือไม่ต้องถูกต้องทางวิชาการนี่คือสิ่งที่เราต้องการให้สมดุลกับอะไรความสามารถเข้าถึงของคนทั่วไป บางทีเราแปลวิชาการเกินไปมันเป็นสับยากภาษาอังกฤษก็ยากเราเอาภาษาอังกฤษที่มันง่ายหน่อยฝรั่งอ่านรู้เรื่องถึงไม่ใช่ชาวพุทธก็อ่านรู้เรื่องเนี่ยแล้วก็แปลถูกต้องทางวิชาการด้วยเนี่ยเป็นมาตรฐานที่สูงหาคนทำยากเราก็ต้องหาคนทั่วโลกเนี่ยนะมาช่วยกันแบ่งละมาทำในเรื่องเหล่านี้ให้เกิดความสมดุลและเราควรจะเรียกพระไตรปิฎกฉบับนี้ว่าอย่างไร เราเรียกว่าคอมมอนบูดิสเทคแปลว่าพระไตรปิฎกฉบับสากลโดยคำว่าสากลเนี่ยหนึ่งมีสมนิกายมารวมกัน 2. ก็คือทุกนิกายอ่านแล้วรับได้ 2. คํคำว่าสากลนี้ก็คือหัวข้อที่เรียกกันว่าท็อ ป, ปิกเนี่ยจะต้องสากลเหมือนกันทุกนิกายหมายความว่าอย่างไรหมายความว่า พระไตรปิฎกจะสงเรามันมีตั้ง45เล่มของเขาก็ไม่น้อยเลยเนี่ยเราจะเลือกเอาเนื้อหาที่ตรงตามหัวข้อที่เราตั้งไว้เท่านั้นไม่ได้เอามาทั้งหมดหัวข้อใหญ่ที่มีทุกนิกายคืออะไรพระรัตนตรยัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้เป็นหัวข้อใหญ่แล้วในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราแบ่งเป็นบทประมาณ12บท12บทนี่ว่าโดยพระพุทธ2บท ว่าด้วยพระสงฆ์สองบทเป็น4ี่ที่เหลืออีก8บทเป็นพระธรรมและพระธรรมนี่แหละที่หลากหลายเราก็จะตั้งหัวข้อว่ า, วาเช่นเรื่องอะไรพระธรรมในเรื่องของออชีวิตไตรักษสมมตอิอันนี้จังทุกขงกังนักตาคําสอนในพระใจปิดกที่ว่าด้วยเรื่องนี้มีอะไรบ้างเรื่องกรรมฐานกรรมฐานในพระใจปีดกภาษาบาลีมีอะไรบ้างที่สําคัญกรรมฐานในพระใจปิดกมหายานอะไรบ้างที่สําคัญพระใจปีดก วัชรยานมาเอามาเรียงร้อยเรียงต่อกันเลยในแต่ละบทเนี่ยให้อ่านของเราเสร็จอา่านแปลเถระวัตเสร็จอ่านมหายานต่ออ่านวัชรยานต่อไม่ใช่ว่าโดดไปโดดมาเอาเรื่องเดียวกันรวมกลุ่มไว้ที่เดียวกันเพราะฉะนั้นนักปราชทั้งหลายที่มารีวิวนามาวิจารณ์หนังสือนี่เมื่อเราทําเสร็จแล้วส่งส่งให้นักปราชภายนอกวิจารณ์ด้วยรวมแล้วหครั้งเนี่ยทุกคนบอกว่า well organized จัดระบบได้ดีแล้วเกินในในการจัดระบบหัวข้อเรื่องเนี่ยทำให้อ่านแล้วมันเห็นภาพต่อเนื่องซึ่งไม่จำเป็นต้องอ่านต่อทุกอันแต่ว่าอ่านบทไหนก็อ่านให้ครบทั้งเทรวาทมหายานแล้วจะอ่านบทไหนก็ได้แล้วแต่ท่านสนใจแล้วมันจะเห็นภาพเลยว่าตั้งคําสอนเทรวาทในเรื่องกรรมฐานนะมันจะเป็นอย่างนี้มห ah ายานเมืองนี้ว่าซึ่งแต่ก่อนนี่มันแยกกันไปคนลรที่สองที่เราจะเห็นภาพเลยว่าสอนเหมือนกันและต่างกันอย่างไรเพราะฉะนั้น ไม่มีการบิดเบือนให้เหมือนกันอันไหนต่างเขาก็แปลไปตามนั้นคือเอามาจากพระไตรปิฎกเลยไม่ได้มาเขียนเองแต่ว่าต่างจากพระไตรปิฎกทั่วไปตรงที่เรามีบทนําให้แล้วแต่ละ เ, เขาเรียกว่าแต่ละตอนแต่ละเรื่องเนี่ยเขาจะมีคล้ายๆบทนําย่อยๆอีกโดยบรรณาธิการนี่เขียนเป็นภาษาอังกฤษให้ว่าถ้าเป็นตัวเอ็นะแสดงว่า เป็นคําอธิบายว่าเราจะพูดในเรื่องอะไรมันจะเหมือนหรือต่างกันอย่างไรแล้วพอเป็นหนังสือตัวตรงนี่จะเป็นการแปลมาจากพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นคนก็จะรู้เลยแล้วจะบอกว่าอันนี้เป็นเทราวาทมหายามรัตยานอ้างอิงทางวิชาการได้หมดฉะนั้นหัวข้อเดียวกันแล้วอีกอันหนึ่งที่เดียวกันคืออะไรคือคําศัพท์ปกติเนี่ยเวลาเราแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาอังกฤษ น, นักปราชญ์ท่านใช้คําภาษาอังกฤษไม่ค่อยตรงกันนะแล้วแต่ท่านจะใช้ เช่นคำว่าความทุกข์เนี่ยุกขาเนี่ยแล้วไปหาไปเถอะพระใจไปดกเล่มนี้ภาษานี้แปลทุกว่าอะไรแปลว่า suffering นะแปลบางเล่มแปลว่า a n x i e t y บางเล่มแปลว่า anguish บางเล่มแปลว่า problem เพราะฉะนั้นคนอ่านจะไม่รู้เลยนี่คือทุก แต่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้ไม่ว่าต้นฉบับจะเป็นภาษาจีนภาษาบาลีภาษาทิเบตรเราให้กําหนดแปลคําว่าทุกเนี่ยตรงกันหมดเราจึงมีท้ายเล่มเรียกคล้ายๆกับว่ า, เ, าเป็นสัพทานุกรมว่าคําในภาษาทิเบตอย่างนี้แปลว่าอย่างนี้คําในภาษาบาลีอย่างนี้แปลอย่างนี้คนไม่ว่าจะมาจากวัฒนธรรมพระไตรปิฎกไหนก็จะรู้เลยว่าอ๋อในเล่มนี้เนี่ยนะ ศับนี้เนี่ยมันแปลเหมือนกันหมดเลยนะอันนี้มันจึงเกิดเขาเรียกว่า common terminology สับฐานนกกรมที่ตรงกันคำศัพท์ที่ตรงกันในภาษาอังกฤษซึ่งไม่เคยมีนักปราชญ์หลายสำนักมาตกลงแล้วก็ใช้คำศัพท์เดียวกันอย่างนี้มาก่อนนี่ก็เป็นเรื่องที่ยากะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จึงมีทั้งคำศั์มีทั้งสุดท้ายก็คือ Index. ์ดัชนี เราอยากจะอ่านเรื่องอะไรเราก็เข้าที่ดัชนีแล้วก็ไปหาในหน้านั้นหน้านัา้นเนื่องจากเหตุผลต่างๆมาเราก็จึงถือว่าเป็นภาระที่ยากให้มีคนเนี่ยช่วยกันวิจารณ์มีประชุมใหญ่แล้วก็แจกไปให้ผู้นําชาวพุทธเนี่ยท่านมีทัศนะออกมาทุกคนเห็นด้วยหมดแล้วก็แต่ที่ประชุมของชาวพุทธเนี่ยเห็นด้วยเมื่อปีที่แล้วว่าเผยแผ่ได้นะที่ประชุมชาวพุทธนานชาติที่จัดที่ประเทศไทยเนี่ย แต่ปรากฏนักวิชาการบอกอย่าเพิ่งพิมพ์นะเพื่อความรอบคอบเอาไปขึ้นเว็บไซต์ก่อนเว็บไซต์6เดือนให้เหมือนกับรอประชาพิจารณ์ทังคนที่ไม่ได้มาประชุมเนี่ยใครเห็นอย่างไรควรจะแก้อย่างไงส่งมาที่คณะบรรณาธิการค ณ, ณะบรรณาธิการก็ได้รวบรวมคําวิจารณ์นันกต้นจนแล้วก็มาปรับปรุงแก้ไขแม้กระทั่งชื่อเรื่องตอนแรกเรามีแถวเดียว Com มอนบุติสต์เท็กสนะฮะ พระจัยเป็นดอกฉบับสากลเขาก็บอกว่ามันสั้นไปพราะคนเห็นแค่นี้เขาก็ไม่รู้ว่ามันเทคอะไรก็ขอชื่อเขาเรียกว่าคำที่ช่วยขยายแค่คำขยายนี่เสนอกันไม่รู้กี่ชื่อในที่สุดมาลงที่คำว่า Guidance and Insight from the Buddha ซึ่งแปลว่าพุทธโธวาจาจากพุทธปัญญานะในภาษาไทยขอแปลว่ า, า Guidance ก็คือพุทธโธวาจา จากพุท ธ, ธปัญญาก็คือพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเราก็ได้มาเป็นเล่มนี้แม้กระทั่งการพอตกลงกันเรียบร้อยแก้ไขหมดแค่จะพิมพ์เนี่ยนะจะพิมพ์เป็นเล่มนี้เนี่ยตัวใหญ่ขนาดไหนเอาเป็นว่าไม่ให้ใหญ่มากห0 0หน้าเองนะหกหน้านี่ เ, เพื่ออะไรเพื่อที่ในขนาดที่เหมาะนะเอาไปไว้ตามโรงแรมต่างๆสามารถอ่านได้ รูปเรื่มสวยงามมากออกแบบอย่างดีแล้วก็สีแล้วนี่เป็นผ้าไหมนะเนี่ยสีนี่เราเอาสีค่อนข้างจะเหมือนกับจีวรแบบแก่นขนุนน่ยมีพระธรรมจักด้วยก็ทั่วโลกมาระดมสมองกันกว่าจะตกลงก็จะเอาสีอะไรทำอะไรต่างสรุปแล้วก็คือเป็นผลงานของชาวพุทธ โ, ทโลกและวันนี้ชาวพุทธโลกก็เห็นชอบจนแต่ปีที่แล้วแล้วก็ พอทำประชาวิจารณ์โดยขึ้นเว็บไซต์1เ่ครึ่งปีในที่สุดมหาจุลาก็ตัดสินใจพิมพ์แล้วก็พิมพ์หนึ่งมืนเล่มนะสำหรับครั้งนี้เพื่อแจกผู้เข้าร่วมประชุมที่ประเทศไทยและที่ศรีลังกาแล้วก็จะแจกไปตามสถานที่สำคัญทั่วโลกที่สำคัญก็คือแปลฉบับแปลจุดเด่นของเล่มนี้คำว่าสากลคือ สามารถเข้าไปอยู่ในโรงแรมมหาวิทยาลัยได้ทั่วโลกเพราะอะไรเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเคยมีคนพยายามทำพระไตรปิฎกเอาไปไว้ตามโรงแรมแต่ว่าบางเอิญมันเป็นของนิกายเดียวมีคนญี่ปุ่นมีคนไต้หวันเนี่ยทำพระไตรปิฎกอย่างนี้แต่เป็นของมหายานเอามาวางไว้ในประเทศไทยคนก็ไม่ไม่รับรู้เลยทั้งที่พิมพ์จํานวนมากไม่อ่านแล้วมันไ ม, ม, นไม่มันไม่ใช่ของเราเนี่ยเขาก็วางเพราะมันจะมีคําสอนที่ต่างกันแต่ที่นี้ ถ้าอยู่ในเล่มนี้เนะี่ยต่างกันยังไงมันจะเห็นเองและเราก็บอกว่าอันนี้นะเป็นเถรวาสนะอันนี้เป็นมหายานเป็นวัชรยานเพราะฉะนั้นถ้าวางอยู่ในเมืองไทยคนอ่านในในลังกาคนอ่านอยากอ่านเถรวาสอย่างเดียวก็ได้มันก็อยู่ในเรื่องนี้เอาเสร็จแล้วอยากจะรู้มหายานก็อ่านต่ อ, เ, อเราไม่ได้บิดเบือนเข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งวัชรยานก็อ่านต่อสรุปแล้วไปวางในประเทศมหายานเขาก็บอกมีของเขาในวัชรยานก็มีของเขามันจึงเป็นภาษาพระไตรปดกที่เหมือนกับพูดภาษาชาวโลกอะ เหมือนกับคุณรู้ภาษาเดียวนี่อย่างเช่นภาษาอังกฤษเนี่ยมันไปได้ทั่วโลกเย่างเหมือนภาษาสากลเราก็ทำด้วยภาษาสากลแล้วเราก็เอาทุกนิกายมารวมกัน เ, เพื่อให้เป็นที่ เ, เข้าถึงทุกทุกฝ่ายแล้วที่สำคัญคือเราคำนึงถึงว่ า, าต้องให้คนที่ไม่ใช่ชาวพุทธคือนอนบุดิสเนี่ยอ่านได้อ่า น, า น, านรู้เรื่องได้ด้วย เ, เพราะฉะนั้นครูจะอ่านตรงไห น, นอย่างไรเราก็จะมีทั้งบทนามีทั้งคา อธิบายเขาเรียกเชิงอัดมีทั้งสับทานุกรมแล้วก็มีคำเขาเรียกคําโปรยของบรรณาธิการท่นี้บรรณาธิการก็จะมีเป็นคณะบรรณาธิการเนี่ยบรรณาธิการใหญ่เราเรียกหัวนหน้าบรรณาธิการคืออธิการบดีมหาจุฬาพ ร, พรมบดิตเนี่ยนะเขาจะแนะนําอยู่ในนี้ในหนังสือเล่มนี้ในหน้านี้นะชีฟเอเดเตอรก็คืออธิการบดีมหาจุฬาพรมบดิตแล้วรองลงมานี่เป็นบรรณาธิการที่ดูเรื่องภาษา ภาษาอังกฤษก็ต้องเอาเจ้าของภาษาคือคุณศาสตราจารย์ปีเตอร์ฮาวิ่นะซึ่งเชี่ยวชาญเป็นชาวอังกฤษดูแลเรื่องภาษาอังกฤษหมดแลวนอกจากนั้นก็ผู้เชี่ยวชาญทุกมิกายที่ว่าแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเขาเรียกฝ่ายแปลฝ่ายรวบรวมฝ่ายวิจารณ์กว่าจะมาถึงท่านนี้นี่ทำงานกันกี่ปีท่านสร้างไหม7ปีตั้งแต่เราถแถลงข่าวครั้งแรกว่าเราจะทำเนี่ยนะ ทำมาแล้วก็โดนตีกลับโดนวิจารณ์มาต่างๆแก้จนทุกฝ่ายพอใจกว่าจะมาถึงจุดนี้เนี่ยเราเป็นประชาธิปไตยไงเจ็ปีเพราะฉะนั้นทุกคนภาคภูมิใจตรงที่ว่าฉนันทวงคุณก็ฟังแล้วฉนันก็มีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นเมื่อมีส่วนร่วมก็อยากจะเห็นว่าออกมาอย่างไรก็ออกมาอย่างนี้แหละถามว่าต่อแต่นี้เนี่ยจะทําอะไรต่อนอกจากเผยแพร่ฉบับภาษาอังกฤษก่อนแล้วเนี่ยมหาจุฬาเองตั้งคณะกรรมการมาแล้ว2เดือนให้แปลเป็นภาษาไทย ปีหน้าเราก็จะออกฉบับภาษาไทยคู่กับภาษาอังกฤษาอาจอจะหน้าต่อหน้าเพื่อแจกตามสถานที่ต่างๆในฮังการีก็แปลเป็นภาษาของเขามีการแปลแม้แกระทั่งเป็นภาษาจีนท่านเมื่อกี้ผู้แทนจีนก็บอกเริ่มแปลไปแล้วเป็นภาษาจีนก็จะไปไว้ในประเทศจีนถ้าเราทําแต่เทรว่าอย่างเดียวถามหน่อยเธอเข้าประเทศจีนได้ไหมไม่ได้แต่นี่ท่านผู้แทนพุทธสมาคมคือผู้แทนทัสังคราดจีนเนี่ยประกาศแล้วทางโน้นเริ่มแปลแล้ว ยังไม่ทันเสร็จดีท่านเริ่มแปลแล้วและอยากเห็นเร็วๆในฝ่ายมหาวิทยาลัยในยุโรปบอกว่าทําฉบับเขาเรียกอินเทอร์เน็ตด้วยให้ค้นให้หาให้อ่านได้ในอินเทอร์เน็ตเขาทําแล้วเขาเริ่มทําแล้วมีโปรแกรมค้นหาอย่างดีเลยเพราะฉะนั้นน่าดีใจอย่างหนึ่งว่าทุกฝ่ายเนี่ยบางทีเขาเรียกว่า อ, อัปไซด์ไปด้วยซ้ำเราต้องบอกเดี๋ยวๆใจเย็นๆหน่อยนะฝ่ายฝ่ายฝ่า ย, ยอินเทอร์เน็ตก็ขึ้นเตรียมขึ้นอยู่แล้วฝ่ายนู้นเพราะฉะนั้นรอวันนี้เขาเรียกลอนชิ่งประกาศเป็นตัวแล้วใครดู ทุกฝ่ายก็จะเรียกว่าเดินเครื่อง ฝ, ฝ่ายแปลก็จะแปลให้ต่อไปเพราะฉะนั้นในปีหน้าฉบับแปลของไทยเราคงจะเสร็จและปร ะ, ประเทศอื่นๆด้วยอนอกจากนี้เราก็คํานึงถึงว่าแล้วถ้าเอาไปใช้ไปใช้ที่ไหนสิ่งแรกในฐานะอธิการบดีได้ประกาศบนเวทีเลยว่าได้อ่านเนี่ยได้เขาถ้าเป็นผัวหน้าบรรณาธิการได้อ่านได้ตรวจได้ได้กําหนดตั้งแต่โครงเรื่องเลยว่าเราจะเอาเรื่องอะไรนในฐานะชิปแอดดิเตอร์หนาบรรณาธิการเนี่ย เอาออทอปิกอย่างนี้อย่างนี้ประเด็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็คอยประสานให้ไปในทางเดียวกันส่วนเรื่องภาษาก็ให้ฝรั่งเขาดูเมื่อตกลงกันอย่างนี้แล้วเนี่ยก็บอกเขาว่าเสร็จแล้วเนี่ยนอกจากจะมีคุณค่าสำหรับคนทั่วไปที่จะมาอ่านนอกจากไม่ใช่ชาพูทธแล้วเหมือนกับอย่างนี้มหาวิทยาลัยพุทธาเช่นมหาจุฬาเนี่ยจะมาบอกได้เลยว่าถ้าจะเรียนเรื่อง พระพุทธศาสนาพระใจไปโด่งเรื่อง3ทั่วโลกพระศาสนาเนี่ยเอาเล่มนี้เลยและจะต้องเป็นหลักสูตรของมหาจุฬาด้วยมหาวิทยาลัยอื่นก็คงจะแบบเดียวกันเพราะว่ามันมีความถูกต้องทางวิชาการแล้วก็อ่านเข้าใจง่ายนี่คื อ, อ, อประเด็นที่1ประเด็นที่2กรณีของออแปลอีกนะสิ่งที่เราเป็นปัญหาอันหนึ่งนะท่านทั้งหลายเวลา คนต่างศาสนาก็ตามมาถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะพระพุทธเจ้าสอนอะไรเนี่ยเราจะหาหนังสือเนี่ยให้เขาเนี่ยนะยากมากเลยยากไม่ใช่ไม่มีนะมีแต่บังเอิญว่าคนที่มาถามเนี่ยสมมติเขาเป็นฝรั่งเขาเคยชินกับพระพุทธศาสนาแบบมหา ย, ยานพอมาถามพระพุทธเจ้าสอนอะไรเอาเอาเล่มเถรวาทให้ไปเขาก็อ่านพักเดียวเขาก็ทิ้งเขาก็ไปอ่านมหา ย, ยาน แล้วเขาก็ไม่มาสนใจเราแต่ต่อไปนี้ถ้าเราส่งเล่มนี้ให้มันจะไม่มีการแตกต่างเพราะเขาอ่านของของเขาสมมติเขาอ่านมหายานเอ๊เขาก็สนใจนี่มหาวยาลพัฒนามาจากเถราวาทมาจากบาลีบาลีว่าอย่างไรเรื่องเดียวกันเรื่องกรรมาฐานเรื่องสติเรื่องอะไรต่างเรื่องชีวิตหลังความตายเรื่องกรรมก็มีนะกรรมและการเกิดใหม่ทําไปทำมาเนี่ยมันจะขยายอะไรการศึกษาในวงกว้างการศึกษาพุทธศาสนาจะไม่อยู่แคบกับ นิกายใดนิกายหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอีกแล้วมันจะกลายเป็นเปิดโลกกระทัดกว้างมันทําให้เกิดความสามคัคคีสิ่งที่เราทํามาเป็นรูปธรรมคือมาประชมุมร่วมกันที่มันกายสามคัคคีเขาเรียกว่าแต่อทิฏฐิความเห็นทิฏฐิสามัคคีเนี่ยหรื อ, ห ร, อหรือทิฏฐิสามัญญาตานี่มันจะต้องอาศัยตํำรับตาลายอย่างนี้และใจกว้างแล้วก็จะเปิดโลกกระทัดเข้าไปสู่พรมแดนของนิกายอื่นด้วยภาษาที่เขาเข้าถึงได้ และที่เขาพร้อมที่จะแปลการที่เขาแปลให้เราเนี่ยในประเทศจีนในอะไรต่างที่กล่าวเนี่ยแสดงว่าเขาพร้อมที่จะรับเอาคำสอนของเราเข้าไปในประเทศเขาด้วยเราก็พร้อมที่จะเอาเขามาด้วยเท่ากับเปิดประตูไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการอย่างเป็นรู ป, ปรธรรมและก็นำเอาไปประยุกต์ใช้เพราะฉะนั้นเมื่อสองวันก่อนมหานายกะแห่งมรละวตตะนะสยามนิายของศรีลังกามา มาเยื่อมาเยือนก่อนที่จะสัมมนานี้ได้ถวายให้เล่มนี้แก่ท่านท่านรับแล้วท่านปลื้มใจมากท่านบอกว่ารอมานานแล้วและอยากให้โลกเห็นว่าพระพุทธศาสนาแม้จะมีหลายนิกายนี่คำคำของมหาเนยกรรมลรรตนะเมื่อถึงมีแม้จะมีม ห, หลายนิกายเราก็มีความเหมือนกันมีอะไรที่ทําให้เราเป็นชาวพุทธเหมือนกันและเราก็จะดูจากเล่มนี้แหละแต่เราก็ยังรักษาความแตกต่างเราเรียกว่า หนังสืออันนี้เป็นสั ญ, ญลักษณ์แห่งเอกภาพในความหลากหลาย u n i t y in d i v e r s เ t อนะเอกภาพคือเรานำเอาคำสอนมาอยู่เรียงร้อยด้วยหัวข้อเหมือนๆกันแล้วมาดูว่าสอนว่าอะไรอย่างไรนี่เป็นเอกภาพแต่ในเอกภาพนั้นมีความหลากหลายเพราะจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมออกไปนะร า, า, า, ายละเอียดเพิ่มเติมของแต่และนิกายในเรื่องเดียวกันเนี่ยไม่เหมือนกัน เพราะยกตัวอย่างอันหนึ่งง่ายๆเลยเนี่ยนะไฟเราเนี่ยบอกว่ารักษาศีลเพื่ออะไรทาบุญเพื่ออะไรพระไตรปิฎกเราก็บอกว่าเพื่อพ้นทุกข์นะเพื่อพ้นทุกข์แต่พอไปดูในวัชรยานนะรักษาศีลเพื่ออะไรให้ทานเพื่ออะไรเขาบอกว่านอกจากเพื่อพ้นทุกข์ส่วนตัวแล้วยังเพื่อช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ที่จริงมันก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละ ช่วยตัวเองแล้วก็ช่วยอื่นแต่จุดเน้นมันไม่เหมือนกันเขาไปแค่สามสีบ่บรรทัดเนี่ยเรารู้เลยอมันต่างกันอย่างนี้นะของวัชรยานบอกว่าคุณรักษาศีลเนี่ยเพื่อให้ช่วยชาวโลกให้พ้นทุกข์ถ้าเขียนถ้าเราไปอ่านเองเมืออม่อไหร่เราจะเจอแต่เล่องนี้เนี่ยมารวมกันก็เลยทําให้สามารถที่จะเห็นภาพว่าความเหมือนความแตกต่างเป็นอย่างนี้นี่คือพระไตรปิฎกฉบับสากลมีคําถามเรื่องนี้ก่อนไหม ม, ม, มันไม่ใช่เป็นเรื่องของการเรียงร้อยนะมันยากตั้งแต่ตั้งแต่ว่าควรจะเอาใส่หรือไม่ควรจะเอาใส่นะาบางท่านบอกเรื่องนี้ไม่ควรมนะีบางท่านบอกเรื่องนี้ควรเอาออกอันเนี้ยคือตอนแรกก่อนค ว, ควรมีก่อนใส่มาเพียบเลยนะแล้วพระไตไปดฎกมันจะเป็นพันหน้านะใหญ่มาก เราต้องค่อยๆบอกว่าเรื่องนี้เอาออกนะออกนะออกน ะ, ออกนะเพื่ออะไรให้เหลือแค่นี้นี่คืองานของทีมพวกเราที่มาดิสคัสด์กันตกลงกันเสร็จแล้วพอเหลือมาเป็นแก่นจริงๆเนี่ยฝ่ายที่คัดค้านก็มีนะต้องพูดตรงๆนะฝ่ายคัดค้านโดยเฉพาะในฝ่ายที่อยู่ในยุโรปในอเมริกาเนี่ยก็บอกอยุโรปอเมริกาบอกว่าบางเรื่องเนี่ยไม่ควรตั้งหัวข้อตรงๆ เช่นว่าไม่มีพระเจ้าไม่มีผู้สร้างถ้าเราไปตั้งว่า no god no, uh, no creator เนี่ยคนที่ไม่นับถือพุทธศาสนาเขาจะรู้สึกยังไงหาคําอื่นที่มันซอฟกว่านี้เช่นพูดเรื่องการกําเนิดของโลกไม่ต้องไปบอกว่ามีใครสร้างไม่สร้างมันจะบอกเองไม่มีผู้สร้างเราก็ตกลงเอ า, เอาคําที่ว่าไม่มีพระเจ้าตรงๆนี้ออกไป เพราะว่าไปแสลงใจของเพื่อนต่างศาสนาปรากฏว่าในเรื่องที่เซนซิตี้พวกนี้กลายเป็นปัญหาเยอะเพราะว่าคำนี้ใช้ได้คำนี้ใช้ไม่ได้ควรแปลอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเราค่อยๆปรับปรับเขาเรียกว่าให้โทนเนี่ยมันอ่อนลงเพื่อนึกถึงคนที่เขาไม่นําแลถือพุทศาสนาเนี่ยเราอย่าไปตั้งไอหัวข้อตรงๆแล้วเนื้อในเนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนเราก็แปลตามนั้นให้ไปอ่านเองอ อย่างนี้เนี่ยเป็นเหตุให้ฝ่ายที่เราเวลาเราขึ้นเว็บเนี่ยคนที่ทวงมาเนี่ยมีจากหลายได้แล้วเราค่อยๆมาปรับปรับไม่ได้ปรับในเนื้อหาที่แปลปรับในเวล า, าเวลาบรรณาธิการเราตั้งชื่อตั้งชื่อบทบทใหญ่บทย่อยแล้วในแต่ละพาเสรจแปลว่าในแต่ละวรรคแต่ละตอนเนี่ยเราจะมีเขียนคล้ายๆคำนำอีกว่าในเรื่องนี้ว่าอย่างนี้ๆสิ่งเหล่านี้แหละที่ใช้เวลาพอสมควร แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเห็นตรงกันแต่ว่าเราไม่ได้หมายความว่าเราคิดเพื่อเราเองฝ่ายเดียวเราคิดว่าเราจะเผยแพร่ให้คนที่แม้แต่ศาสนาอื่นก็อ่านได้เราก็ต้องคำนึงถึงความรู้สึกถ้าเป็นเรื่องของชาวพุทธอย่างเดียวบางทีก็จะง่ายนะไม่ค่อยเพราะเรารู้กันอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าเราจะต้องทํางานในโดยเฉพาะถ้าเป็นประเทศที่คนส่วนใหญ่ น, นับถือพุทธศาสนามนไมนมีปัญหาเขาบอกแต่ถ้าเราไปเผยแพร่ในประเทศที่ไม่ใช่ชาวพุทธล่ะเขาไม่เห็นเราไปเขียน ถัดแย้งกับเขาโดยตรงเนี้ยมันจะเข้าไปไม่ได้ครับผู้อื่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะเราก็เลยทําให้ถือว่ามันเป็นการสร้างความสามัคคีไม่ใช่เฉพาะในหมู่ชาวพุทธแม้กระทั่งเพื่อนต่างศาสนาเขาเรียกว่าเราจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทำใช้เวลาใช้เวลาสิเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะขั้นแรกเขาเรียกว่าคณะกรรมการแปลนะแปลนี่เหมือนทําต้นฉบับก่อน ซึ่งคณะกรรมการแปลเนี่ยหลักๆเนี่ยเราจะอยู่ในให้เครดิต ท, ท่านไว้เนี่ยนะซึ่งจะอยู่ใน เ, เรียกว่าเนี่ย r and Translator เนี่ยนะก็จะมีบอกแบ็กกราวตั้งแต่ประธานที่ดูเรื่องภาษาเช่นท่านปีเตอร์ฮาวิที่จัดเ อ, เอกภาพของหนังสือแล้วก็โปรเฟสเซอร์จากหลายๆประเทศเนี่ยนะก็มีเอาเป็นว่าอย่างนี้กันว่า มีทุกนิ่งกายทั้งฝ่ายที่เป็นฝ่ายแปลก่อนทําต้นฉบับก่อนนะจากนั้นก็จะมีฝ่ายเก่าสํานวนเป็นเขาเรียกว่าฝ่ายที่มาขัดเกลาโดยฝ่ายแปลฝ่ายบรรณาธิการเนี่ยเราก็มีการขัดเกลากันก่อนมีกรรมการที่เหมือนกับเป็นคณะบรรณาธิการที่มาปรับปรุงต่างๆซึ่ง พอจบตรงนี้แล้วเราก็จะจัดประชุมถ้าคงจะจําได้ที่ที่จัดวิสาขาโลกเนี่ยเราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกเนี่ยมาทำเวิร์กช็อปมาดูเล่มนี้กันอีกอย่างน้อย2ปีที่จัดวิสาขาทำเวิร์กช็อปด้วยนะเราเกือบปีแรกกากาว่าเสร็จเวิร์กช็อปด้วนะก็คือหมายความว่าเอาผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ได้แปลนะที่ไม่ได้เป็นมานาธิการนะจากไหนก็ได้มาอ่านส่งให้เขาไปก่อนแล้วก็มาวิจารณ์ ตอนหน้าผู้แปลผู้เป็นมานาธิการว่าคุณจะต้องแก้งี้ฝ่ายผู้แปลไม่อยากแก้ก็เทียงกันแล้วเรียกเวิร์กช็อปทำอยู่สองปีสองครั้งปีแรกยังไม่จุใจเอา้าทำอีกปีหนึ่งพอทำเสร็จนึกว่าจะพิมพ์ได้ยังส่งไปให้พระสังฆราชมหารายกะท่านอ่านาแล้วก็คอมเมนต์มาท่านก็จะส่งคอมเมนต์มาจากนั้นก็มหาจุลาก็จะทาหน้าที่ในฐานะเจ้าของเรื่อง เชิญทุกฝ่ายมาที่นี่อัตมาเป็นประธานนั่งคุยกันว่าถ้าเขาตัดสินไม่ได้เช่นชื่อหนังสือเถียงกันมา5อย่างนู่นก็จะเอาอย่างนี้นี่กับอย่างนี้ประโยคนี้คํานี้ควรจะมีหรือไม่เรื่องนั้นเรื่องนี้มันเป็นปัญหาที่ฝ่ายผู้ทำเนี่ยตัดสินไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนไม่ว่าจะเป็นคุณปีเตอร์ฮาวิ่งอะไรต่างใครชี้ขาดชิปเอเดเตอร์คนหน้าบรรณาธิการ ฟันธงพอฟันทงเอาอย่างนี้จบอันนี้ก็ใช้เวลาเป็นปีมาจะมาอยู่เรื่อย ๆ, ๆเรื่อยๆพอจบก็ออกมาเขาเรียกว่าขึ้นขึ้นเว็บอีกทีหนึ่งแล้วก็มาถึงจุดสุดท้ายตรงนี้่นโ อ, อ้ถ้าถ้านับจากในนี้ก่อนคือเป็นร้อยคนที่เกี่ยวข้องแต่ว่าที่เราให้เครดิตไว้ในนี้ น, นี้ก็จะอยู่ทางนี้ช่วยนับเอาเองก็ได้อยู่ในนี้เพราะว่า มันหลายครั้งแต่ว่าชื่อที่เราใส่ไว้นี่ก็มีอยู่ในนี้ด้วยอ่ามีหนึ่งและหน่งหมื่นเล่มเนี่ยเราคงไม่เพียงพอเรามีการพูดกันในที่ประชุมผู้บริหารสมาคมว่า น่าจะมีฉบับเรียกว่าออนเซลสําหรับขายนะฟอร์เซลนะสำหรับจําหน่ายให้ประชาชนทั่วไปซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นข้อเสนอแต่เรายังไม่ได้ตกลงกันนะ เ, เพราะใจเราเนี่อยากจะเผยแพร่ฟรีแต่ว่ามันจะไม่ถึงคนทั่วไปเพราะฉะนั้นจึงมีเสียงว่าทําไมไม่พิมพ์แล้วกาลังอย่างซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นไปได้มหาจุฬาอาจจะรับในประเทศไทยของพิมพ์ของเราก่อนเพราะเราก็พิมพ์อยู่แล้วแล้วก็บางจําหน่ายให้คนได้อ่านอันที่สองออที่ประชุมบอกว่า เราเราจะได้ประกาศว่าเว็บของเราเนี่ยที่อ่านทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยอยู่ตรงไหนอย่างไรเขาทำอยู่แล้วในฮังการีก็จะประกาศอาจจะในในท้ายการประชุมเนี่ยจะจะแจ้งสื่อทั้งหลายว่าหาอ่านได้ที่ไหนก็คือจะต้องถามทั้งฝ่ายฮังการีเพราะเราไปไปยั้งเขาไว้ให้เขาเอาขึ้น เ, เขาก็จะขึ้นได้เมื่อไรแล้วเราจะหาอ่านฉบับเต็มในในจากเว็บได้เมื่อไรก็คอ ย, คอยติดตาม ในเ อ, เอาตรงนี้กันลวกันว่ า, าพวกอ e ีบุ๊กพวกอะไรต่างๆแม้กระทั่งฉบับซีดีรอมอะไรต่างๆพวกนี้นะสามารถเรามีทีมนานาชาติในยุโรปมริการที่เขาพร้อมจะทำนะถ้ามีเสียงเรียกร้องนะแล้วก็ทาง XCO กคก็คือคณะกรรมการบริหารสมาคมอนุญาต <c oughs> เขาก็คงจะทำได้เพราะฉะนั้นเราจะดูดู RESPONS ์ก่อนว่า เสียงตอบรับก่อนว่าอยากจะให้ทําอะไรงไงเพราะเร า, เราถือว่าเป็นการกุศลนะเราอยากจะเผยแพร่แต่ว่าควรจะทําระดับไหนเราก็ต้องอเคารพทางคณะกรรมการเขาด้วยซึ่งเขาก็ทํางานเหนื่อยตอนนี้ลายปิดอนี้เป็นของทีของชาวพุทธโลกถือว่าเป็นของชาวพุทธโลกเพราะว่ า, าได้รับความเห็นชอบจากาที่ประชุมใหญ่ของสภาสากลวันมิสาขาบูชาโลกในการประชุมปีที่แล้วเขาประกาศแล้วแปรรูป mm hmm. <approved S 2> แล้วในที่ประชุมใหญ่ ลงนามโดยพูดภาษาสังขารันเหมือนกับที่เราเราอยู่ในเขาเรียกอะไรแบงก์กรดเดคอเรชันปฏิญาณกรุงเทพในปีที่แล้วมีแล้วแต่เราจะพิมพ์ปีที่แล้วมันไม่ได้ไงเขาบอกว่าต้องขึ้นเว็บก่อนมันก็เลยที่จริงเนี่ยเขาเขา Approve ตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าเราต้องตามใจเขาถ้าเขายังเหมือนกับประชามติแล้วยังไม่พอใจยังค้านอยู่ห้ามพิมพ์จนบัจจุบันนียเราถึงพิมพ์ได้เราก็เคารพกันเพราะเราทํางานร่วมกันประโยชน์ของท่านพิโดษะแบบนี้ครับผารจะได้อะ แล้วแต่ว่าคนอ่านระดับไหนก่อนนะอันแรกสุดเนี่ยสำหรับชาวบ้านทั่วไปเนี่ยทั้งที่เอาไปว่าต่างศาสนาด้วยเนี่ยจะได้คสอนได้เข้าใจว่าพระพุทธศาสนาสอนอะไระเพราะว่ารวมเอาคำสอนไว้ทั้งหมดไว้ในนี้อันที่สองจะได้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องว่าพระพุทธศาสนาแม้จะมีนิกายต่างกันเนี่ย แต่มันมีพัฒนาคําสอนต่อเนื่องอย่างไรเราจะเห็นภาพรวมนะอันที่3เนื่องจากว่าในในพระไตรปิฎกนี่เราไม่ได้มีคําสอนทีเ่เราไม่ได้รวบรวมเฉพาะคําสอนที่เป็นวิชาการอย่างเดียวมันจะมีถ้อยคําที่ว่าจะลงใจนะเช่นจากพระไตรปิฎกไอ้จากธรรมบทอย่างเงี้ยต้นแลงเป็นที่พึ่งของตนอะไรต่างมันจะสอดแทรกอยู่เรื่อยๆฉะนั้นเวลาที่เรามีความทุกข์ เวลาที่เรามีปัญหาชีวิตอยากจะหาทางออกอ่านหนังสือธรรมะเล่มไหนดีเล่มนี้เพราะมันมีทุกเรื่องทุกประเด็นและเอามาจากพระใจปีดกเพียงแต่ว่าสำหรับชาวบ้านทั่วไปเนี่ยอาจจะต้องรอฉบับแปลเป็นภาษาไทยแต่เนื้อหาซึ่งเอาอย่างนี้ก็แล้วกันว่าภาษาอังกฤษเนี่ยง่ายธรรมะอ่านเนี่ยพดูเรรชรู้อยู่ว่าภาษาอังกฤษมันง่ายหมายถึงตัวภาษานะ่ะมันจะให้ยากกว่านี้ก็เขียนได้ พราบพระไตรปิฎกที่แปลมาสมัย100ปีที่แล้วโดยสมาคมบริปการเนี่ยภาษาโบราณยากนะเราก็มาปรับเป็นภาษา 2,017 นะภาษาอังกฤษยังง่ายทีนี้ที่เป็นห่วงคืออะไรห่วงเวลาแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยเราจะแปลเป็นภาษาไทยให้มันง่ายหรือเปล่าจะเนี่ยถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยที่ง่ายเหมือนภาษาอังกฤษเขาทำเนี่ยก็จะเป็นความสําเร็จสําหรับประเทศ น, นั้นนี่คือสําหรับคนทั่วไปสอง สําหรับนักวิชาการนักวิชาการเนี่ยได้เต็มๆเลยเนี่ยบางทีเขาบอกว่าจะได้มากกว่าโดยซ้ําไปเพราะว่าเนื่องจากเขผู้แปลเนี่ยมุ่งความถูกต้องทางวิชาการแล้วหัวข้อนี้เขาเลยเอาเกแกดๆมาเลยเอามาเรียงร้อยเพราะจึงมั่นใจได้เลยว่าเอาไปอ้างอิงได้เอาไปสอนในเป็นตําราในมหาวิทยาลัยได้สอนนักศึกษาทั่วไปได้อย่างมหาจุฬาเนี่ยก็คงจะต้องกําหนดเป็นหนึ่งวิชาแหละเนี่ยที่จะให้เรียน เหมือนกับศาสตร์พระใรปิดกศึกษาแบบนี้เลยซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนะเราไม่เคยทําได้เลยเพราะไม่เคยมีเรื่อนี้ไงมหาจุฬานี่อยากจะทําแบบให้เรียนพระใจปีดกทั้งสามนี่กายไม่มีใครทําได้ธรรมาก็ทําไม่ได้ใครก็สอนไม่ได้เพราะมันไม่มีตํารายอย่างนี้ไม่เคยมีใครทําเพราะฉะนั้นก็าจึงบอกว่ามันในวงวิชาการทางพุทธศาสนาเขารอกันมานานแล้วเรื่อนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นวางเผยไม่ได้นะเนี่ยเมื่อเช้าที่ขึ้นไปขึ้นไปแถลงข่าวถามว่าเอาไยเลขาทํำไมไม่เอาหนังสือไปให้ผู้แถลง บอกผมวางไว้นี้ฮันไม่ที่หนังสือหายแล้วก็เลยกว่าจะได้หนังสือขึ้นไปตั้งในนี่นไม่รู้จะเหลือกี่เล่มเนี่ยน่าตั้งอยู่ตรงนี้เนี่ยเพรา ะ, ะฉะนั้นชนะเนี่ยนะจึงเป็นที่ต้องการแล้วก็นี่สำหรับประชาชนสําหรับนักวิชาการส่วนผู้ที่จะได้ อ, อ, อ, อ, อ, อีกประการหนึ่งเนี่ยที่สําคัญก็คือผู้นําทางาศาสนาหรือพระสงฆ์ทั้งหลายนักบวชทั้งหลาย เพราะว่าเราทํางานติดต่อเครือข่ยสาธารณสัมพันธ์โดยเฉพาะกับมหายาลเราต้องรู้เขารู้เราถ้าศึกษาเรื่องนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยเทศกันง่ายขึ้นคุยกันง่ายขึ้นเขาก็จะรู้เราเราก็จะรู้เขาจะได้รู้ว่าเออนี่คือข้อจากัดของเขาในาวินยัยอะไรต่างๆเนี่ยนะคำสอนเลยอันนี้ก็จะได้อีกเช่นกันเปีที่เราเสกบางก็เเออคืออย่างนี้ ถ้านับทั้งหมดนี่เขาเรียกว่านับยากเพราะว่าเวลาเราประชุม14ครั้งนะจริงๆเนะี่ยตั้งแต่เริ่มทำเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยครั้งแต่ให้มารีวิวเนี่ยครั้งในในการรีวิว6ครั้งเนี่ยก็คือเชิญค่าเครื่องบินผู้เชี่ยวชาญมาประชุมวอร์กช็อปอะไรต่างๆนี่ถ้าคุณนับค่าเครื่องบินด้วยนะไม่รู้จะว่าอย่างไรเล ย, เลยมันไม่มีที่ไหนทำได้เพราะเราจะต้องมาจากทั่วโลก อย่างมากส่งกันไปสนีใช่ไหมถ้าจะทาที่อื่นเนี่ยแต่นี่ให้เขามาเป็นตัวเป็นเปนน่ยคุณแล้วคุณจะต้องประชุมกัน14ครั้งเนี่ยต้องใจปั้มพอสมควรและจะต้องมีเทคนิคสรุปแล้วก็คือเราก็เวลาประชุมกันเราก็จะถือโอกาสประชุมระดับโลกอย่างเนี้ oh, <my> พ่วงไปด้วยไงจัดวิสาขบูชาโลกก็เชิญมาทําฝ่ายที่ประชุมก็ประชุมไปฝ่ายทำพระไตรปิฎกก็ไม่ต้องเข้าหรอกนะทำก็แต่พระไตรปิฎกเลิกงานแล้วก็ยังไม่ให้กลับประเทศอีกเนี่ยคือสิ่งที่เราเป็นยุทธวิธี ถ้าไม่มีวิสาขาบูชาโลกไม่มีทางทาได้เพราะเราไม่สามารถเอาเอาท่าเหล่านั้นเนี่ยมาพบกันได้นี่แหละคือสิ่งที่ ม, มันไม่เคยมีเียไดไ้ว่าไปินเป็นดที่เปิด<จ>ให้มีการะิจารมากที่สุดจก า, าก็ได้แล้วก็ถือว่าเป็น6ครั้ ง, ง, งนะครั้งที่เราเปิดวิจารณ์แล้วก็เราประชุมกัน14ครั้งแล้วก็ถือว่าเป็น อ, อย่างอย่างผู้ อย่าง professor Lancaster ที่เบอร์เกอร์นี่นะท่านบอกว่าเป็นฝ่ายมหายายนะท่านท่านวิจารมาแล้วท่านก็บอกว่าไอวิธีดำเนินการทำพระตไตรปิฎกในลักษณะนี้เนี่ยเป็นยูนิคก็คือเป็นเรื่องพิเศษไม่เคยมีใครทำมาก่อนท่านบอกว่าเออเป็นเป็นยูนิค r o a c h has never been taken ไม่เคยมีใครทำเพราะท่านก็เป็นผู้เวิจารณ์ฝ่ายมหายาใน ในไฟล์ของ เ, อเทราวาดนะเขาบอกโดยเฉพาะามหาไนยกาทั้งหลายบอกออเทนติกออเทนติกหมายควาว่าถูกต้องทางวิชาการาท่านรับรองอทั้งทั้งฝ่ายนิไายอื่นออเทนติกถูกต้องแล้วก็ในไฟล์ของ อ, อันนี้ไฟล์เทราวาดนะไฟล์มหาจ า, าย์ไฟล์วัชรยานเขาบอกว่าไงยกตัวอย่างมานะ well organized จัดระบบไอหัวข้อดีนะเกินตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยอ่านเหมือนกับมั น, มนเรียงร้อยมันทําให้เกิดเห็นภาพพระพุทธศาสนาในมหาภาคอะเรียงร้อยต่อเนื่องทําใหเ้เลือกหัวข้ออย่างแครฟูนะอย่างระมัดระวังท็อปิกต่างๆแล้วก็เรื่องกับอย่างดีแล้วก็ออกแกนน้อจัดระบบอย่างดีทําให้อ่านเข้าใจโดยเฉพาะการจัดระบบไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้เท่านั้นเรา เรายังเพิ่มสับทานุกรมทายเล่มให้เราทำดัชนีให้เพราะฉะนั้นมันจึงมันไม่ใช่หนังสือธรมรมดากว่ากว่าจะทำแต่ละเรื่องเนี่ยมันเหมือนกับมองในแง่นึ่งมันเหมือนกับตำรานะเพราะมันจะมีอินเด็กมีเชิงอัดมีฟุตโนตมีอะไรต่างซึ่งคนเดียวไม่มีทางทำได้มันหรือหรือไอ้ที่เป็นนิกายอย่างนี้เนี่ยนะเพราะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็สมควรแล้วที่ว่า7ปีนะ คนไหนถ้ามาลงมาทำเจ็ปีไม่ต้องทำมาหารับประทานแล้วรภรรยาไล่ออกจากบ้านเพราะมันทำยากลักษณะงี้แสดงาหนังสือเ่องนี้ก็มีางอย่างเลยอย่างต้องมีเลยอยันนี้ต้องมีเลยมันจะต้องเป็นคู่มือในการศึกษาส่วนว่าหลังจากนี้เขาอยากจะไปทำบ้างอะไรพัฒนาต่อไปก็ของเขาแต่การจะรวบรมคนมาทำได้อย่างนี้เนี่ยเ <c oughs> บื้องหลังการถ่ายทำนี่มันมหาศารจริงๆ และที่สําคัญก็พระสังฆราชประมุขสงฆ์เนี่ยต้องยอมรับซึ่งเวทีเดียวเท่านั้นที่ยอมรับได้ก็คือสภาวิสาสการประชุมวิสาขาบูชาโลกซึ่งเรามีมหาไนยกาพระสังฆราชท่านให้พรท่านร่วมด้วยช่วยกันท่านถือว่าเป็นงานของท่านด้วยเพราะฉะนั้นไปประเทศไหนท่านก็ต้อนรับอย่างประเทศไทยมหาเศรษฐคมก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วอย่างนี้นเป็นต้น น, นะก็ถือว่าเป็นงานของคณะสงฆ์เลย คาามือในการประชุมวิสาขาโลกเนี่ยเราเราถือว่าเป็นเป็นเป็นวันพระพุทธเจ้านะชาวโลกเขามาที่นี่เนี่ยเขาเาเรียกว่า The b บุ d h a d าเด วันพระพุทธเจ้าแตนี้วันพุทธเจ้าเนี่ยเรามาบอกว่าในโอกาสที่ประสูตรตรัสรู้ประนิพานแต่ของมหายานเนี่ยเขาประสูตรคนลวันเขานับแบบสุริยคติเพราะฉะนั้นเขาก็เอาถือว่าเป็นพุทธสําคัญพุทธเนี่ยมาจากคาว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทีนี้จะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงชาวพุทธทั่วโลกก็จะต้องตื่นก่อนตื่นด้วยสติ สติเป็นหัวข้อประชุมใหญ่ของการสัมมน า, าครั้งนี้ f มฟ n e s s เนี่ยนะไเนสเนี่ยเป็นหัวข้อใหญ่เพราะว่าเป็นตัวที่ทาให้ตื่นขึ้นในโลกสติโลกัสมิปโชโตโสติเป็นเครื่องตื่นในโลกเพราะฉะนั้นถ้าคนมีสตินะก็จะยับยั้งชั่งใจมีสติก็จะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรอยากจะบอกเรื่องว่าเราประชุมกันครั้งนี้เนี่ยนักวิชาการเขาพูดอะไรนักวิชาการเขาเอา นักวิทยาศาสตร์มาด้วยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาแทบเข้าสมองนคนนะเนี่ยเขามาแถลงที่มหาจุฬ า, าเมื่อสองวันก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้ MRI ใช้เครื่อง EEG อะไรต่างๆก็ตามแทบเข้าไปในสมองแล้วเขาก็ดูว่าความคิดของคนเป็นยังไงปรากฏว่าเวลาเราคิดเนี่ยนะอยากทําหรือไม่อยากทําอะไรเนี่ยมันมีช่วงที่เราไม่รู้ตัวเกิดขึ้นก่อนสมมุติว่า แล้วอยากหยิบของที่เขาไม่ให้นะหนังสือเล่มนี้วางไว้เนี่ยนะอยากได้อยากได้เนี่ยกว่าเราจะไปหยิบเนี่ยนะ <c oughs> กว่าเราจะไปหยิบเนี่ยมันไม่ใช่คิดปุ๊บหยิบปั๊บนะเขาแถบสมองคนแล้วเขาบอกว่าไอ้ความรู้สึกที่มันอยู่ในสมองที่มันกระตุ้นเนะ่เพราะว่าการกระตุ้นให้มือหยิบมันต้องมาสกัสมองเนี่ยสมองเริ่มถูกกระตุ้น350ทครั้งต่อ <ersch> uh, 350คร in ั <Yep. S 2> ้งใน1ล้านเศษ1ส่วนล้านของวินาทีอะไรเขาไม่รู้นะภาษาขอเขาเลยเนาะมันเร็วมากเลยกว่ากว่ากว่าเราจะรู้ตัวว่าเราอยากได้เนี่ยความคิดที่อยากได้มันเกิดขึ้นในสมองก่อนโดยที่เราไม่รู้ตัวพอเรารู้ตัวเนี่ยส่วนมากจะไปหยิบแล้วแสดงว่าข้างในเนี่ยมันคลุกุลโดยที่เราไม่รู้ตัวทำให้ไม่มีสติไง เพราะอีสิทิ์ก็ทำให้เราโกรธกว่าเราจะรู้ตัวว่าเราโกรธเนี่ยแท้ที่จริงเนี่ยเครื่องมันเขาเรียกอะไรรถยนต์คือมันสตาร์ทก่อนมันก่อนจะวิ่งไปชนกันเนี่ยไอตอนสตาร์ทเนี่ยเราไม่รู้ตัวมันพอรถวิ่งเราถึงจะรู้เวลาเราจะลักขโมยเนี่ยเราไอความอยากมันเกิดโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วพอจะไปเนี่ยเราถึงรู้ฉะนั้นเขาก็บอกว่าต่อตพระพุทธศาสนาสอนให้เซ น, นเซอร์ให้วีโตให้พอรู้ตัวเนี่ยท่านหยุดมันซี หยุดให้ทันก่อนที่มือหรือปากจะไปด่ากันทะเลาะกันเพราะฉะนั้นโลกนี้จะสันติได้เมื่อมีสติสติคือรู้ว่าตอนนี้เรากำลังอยากทำอะไรอยากจะไปทำให้สิ่งที่ไม่ดีเราห้ามตัวเองได้การห้ามตัวเองเนี่ยเป็นพรอันประเสริฐของสติถ้าไม่มีสติตรงนี้เนี่ยมันปล่อยให้สมองมาทำงานคนก็ ห, หิวก็กิกน อ, อยากได้ก็ขโมยเนี่ยมันจะไม่มีศีลธรรม เพราะฉะนั้นตัวการพัฒนาสตินี่แหละจะเป็นตัวใส่เบรกให้กับระบบสัญชาติยานทั้งหลายที่มันกระตุ้นที่สมองนี่ทางวิจัยงานงานเขามานำเสนอที่นี่ที่ได้อ่านได้ฟังเขา mm hmm. เพราะฉะนั้นจึงถือว่าคุณนูประการของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือการสอนเรื่องสติคือ mindfulness แล้ววันนี้เราได้เห็น keynote speech นะโดย keynote speaker เนี่ยจากฮังการีนะท่านกระ ฟาสกา์เนี่ยได้เล่าให้เราฟังว่าในโลกตะวันตกได้นำเอาเรื่องสติเนี่ยไปใช้ในการจิตบำบัดรักษาโรคความเครียดและพัฒนาบุคลิกภาพของคนยังไงก็เล่ารายละเอียดให้เราฟังหมดซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีมากแม้กระทั่งในคุกนะก็เอาไปสอนด้วยไมฟูเนสไปได้ทั่วหมดการที่จะเป็นผู้รู้เนี่ยมัน ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยแล้วตื่นก่อนรู้ทันก่อนว่าตอนนี้เรากําลังต้องการอะไรมันไม่รู้ตัวเนี่ยแล้วก่อนเรากำลังโกรธนะแต่ที่ยิ่งกว่าจะโกรธเนี่ยมันคุมาข้างในแล้วกว่าจะรู้ตัวบางคนก็เลยยับยั้งชั่งใจไม่ทันสติจะใส่เบรกให้กับความโกรธความโลภความหลงแล้วหลังจากนั้นเราใช้ปัญญาเขาเรียกสัมปัชญะนะสัมปัชญะเนี่ยปัญญาเนี่ยเลือกว่าควรหรือไม่ควรทําอะไรสรุปวันตื่น ของโลกของชาวโลกก็คือพระเจ้าประสูตรขึ้นมาเป็นพระสิทธิ์สัจสัจสรู้ทรงให้คําสอนเรื่องสติปัญญาตัดสรู้ด้วยพระปัญญามีสติเวลาที่จะเสด็จดับขันธปรินิพานก็บอกอย่าประมาทนะพระเจ้าบอกเป็นจำยิปเป็นชิโมว่าประมาทคือให้มีสติสรุปแล้วสติเนี่ยเป็นคีย์เวิร์ตเป็นเรื่องสําคัญอยากเห็นชาวไทยชาวโลกมีสติยับยั้งชั่งใจรู้ตัวก่อนว่ากําลังคิดกําลังพูดกําลัง จะคิดจะพูดจะทำอะไรไอ้จะคิดจนะคงไม่รู้จะพูดจะทำอะไรถ้ามันจะทำให้เกิดความแตกแยกเกิดความทะเลาะเบาแวงอย่าไปพูดอย่าไปทำพูดเฉพาะการสร้างสารรค์ที่ทำให้เกิดความรักความสา ม, มัคคีและนั่นคือการดำรงชีวิตผ่านการตรวจสอบแล้วก็ทำแต่เรื่องที่ดีงามก็จะนำไปสู่ความปรองดองสมานฉันสันติสุขของชาวโลกและนั่นก็คือคุณูปการที่ชาวพุทธโลกมาประกาศยืนยันว่า ได้จากพระพุทธศาสนาประเทศไทยเป็นประเทศชาวพุทธแล้วเราจะไม่อายชาวโลกหรือที่เขาเห็นคุณค่าของสติของคาสอนพระพุทธเจ้านำเอาไปใช้ทั่วโลกแล้วแต่พอมาถามเราอย่าว่าแต่ใช้เลอยังไม่รู้ว่าสติคืออะไรแล้วไม่ค่อยมีสติอายเขาปเปล่า